อีกสูตรนกาลิโคทาพัทยสูตรนี่สูตรของพระอรหันต์พระอรหันต์ที่อุทานว่าสุขนอสุขจริงๆเหือกันสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ที่อนุปยะอัมพวันก็สมัยนั้นแหละพระพัิยะพระโอรสของพ ร, พระราชเทวีพระนามว่ากาลิโคทาคนนี้ก็ส า, สากะยะนะญาติพระพุทธเจ้า อยู่ในป่าท่านเนี่ยอยู่ในป่าหรืออยู่โคนไม้อยู่เรือนว่างอยู่ที่ไหนก็ตามท่านก็เป่งอุทานเนืองๆว่าสุกหนอสุขเนอะพิษุขไ ป, ปอันมากพอได้ฟังคําของท่านพระพัทถยาโอรสของพ ร, พระราชเทเวีกาลิโคทาอยู่ในป่าโคนไม้เรือนว่างเปล่งอุทานว่าสุกเนอสุกหนอก็เลยคิดกันว่าคิดกันเอง น, นะเดาเอาเองว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายท่านพระพัทถยะ พระโอรสของพระราชเทวีกาลิโคทาไม่ยินดีประพฤติพรหมจรรย์โดยไม่ต้องสงสัยไม่ต้องสงสัยหรอกสัยแสดงว่าอยากศึกแน่เพราะเวลาท่านอยู่ป่าอยู่โคนไม้อยู่เรือนว่างท่านหวนระลึกถึงความสุขในราชสมบัติเมื่อครั้งเป็นครหัตในการก่อนจึงเป็นอุทานเนืองๆว่าสุขเนอสุขหนอเนี่ย แ, แสดงว่าคิดถึงสมัยเป็นพระราชาแน่นอนเนี่ยที่พูดว่าสุขเนอสุขหนอแสดงว่าไม่นานะคงศึกแน่รูปนี้ ก็เลยไปถวายบังคมกราบทูลเรื่องทั้งหมดให้พระพุทธเจ้าทราบ พ, พระผู้มีพระภาคเจ้าก็รับสั่งภิกษุรูปหนึ่งว่าเธอไปเรียบพัทยะภิกษุมาตามคําของเราว่าพัทยะผู้มีอายุพระาศาสดาตรัสสั่งให้หาท่านภิกษุเหล่านั้นก็ทูลรับะนะก็ไปเชิญพระพัทยะมาเฝ้าพอพระพัทยะเข้ามาเฝ้าถึงที่ประทับถวายบังคมแล้วนั่งหน้าที่ควรส่วนข้างหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ถาม ท่านพระพัทยาโอรสของพระราชเทเวีกาลิโคทาว่าดูก่อนพัทยะได้ยินว่าเธอเนี่ยอยู่ในป่าโคนไม้เรือนว่างเป่งอุทานว่าสุกเนอสุกหนอจริงหรือจริงหรือเปล่าว่างั้นนะไปอยู่ที่ไหนก็สุกหนอสุกหนอ ส, ส, ส, สบายจริงๆสบายใจสบายจริงๆเหรนะีจริงพระเจ้าค้าพัทยะ ท่านเห็นอํานาจประโยชน์อะไรเล่าอยู่ในป่าโคนไม้เรือนว่างจึงเป่งอุทานว่าสุกเนาะสุกหนอเห็นประโยชน์อะไรทําไมไปอยู่ที่ไหนก็บอกว่าสุกสุกสุกเนี่ยนะสบายสบายเหลือเกินข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์เมื่อ ย, ยังเป็นครือขัดในการก่อนสเสวยความสุขในราชสมบัติคือเป็นพระราชาตอนนั้นก็มีพวกมีการอารักขาของราชบุรุษจัดแจงไว้เป็นอย่างดี ทั้งภายในพระราชวังทั้งภายนอกพระราชวังทั้งภายในพระนคร น, นอกพระนครไปที่ไหนก็มีองค์ครรภพิทักเป็นพันๆเหมือนกันเถอะมีกระบวนทัพคอยอารักขาตกปักรักษาทั้งในวังทั้งนอกวังเวลาอยู่ในชนบทออกไปภายนอกชนบทไปที่ไหนก็มีองค์ครรภพิทักเต็มไปหมดเลยข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์นั้นแลเป็นผู้อันราชบุรุษรักษาคุ้มครองอย่างนี้แล้วก็ยังกลัว หวาดเสียวระแวงสะดุง้งนี่ยนะขนาดคนดูแลขนาดนั้นไม่ใช่ว่าจะมีความสุขนะเครียดตลอดนะระแวงตลอด้อะไรกันจะเกิดขึ้นเนี่ยบัดนี้พระองค์บัดนี้เนี่ยข้าพระองค์ผู้เดียวอยู่ป่าโคนไม้เรือนว่างตอนนี้ไม่กลัวแล้วไม่หวาดเสียวไม่ระแวงไม่หวาดสะดุง้งไม่มีมีความขวนขวายน้อยมีขนตกนะนะมัไม่ใช่คนลุกสู้กลัวใช่ไหม เป็นไปอยู่ด้วยของที่ผู้อื่นให้ตอนนี้มีใจดุดเนื้อที่อยู่ในป่าเนื้อในป่าที่ไม่เคยมีศัตรูมาเลยเนี่ยนะยืนเดินก็สบายข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์เห็นอํานาจประโยชน์นี่แลอยู่ในป่าโคนไม้เรือนว่างจึงได้เปล่งอุทานว่าสุขเนอสุขหน อ, น อ, นอคือไม่เคยมีความสุขอย่างนี้เลยเมื่อก่อนเนี่ยเป็นพระราชาองค์ครักพิทักษ์รักษาเต็มไปหมดแต่ก็ระแวงมีแต่ว่ดระแวงมีแต่สะดุง้งมีแต่ลําบากใจ แต่บัดนี้ไม่ได้เป็นอย่างนั้นแล้วพระองค์ทราบเนื้อความนี้แล้วพระองค์ก็กล่าวว่าความกำเริบย่อมไม่มีจากจิตของพระอริยบุคคลผู้ล่วงความเจริญและความเสื่อมมีประการอย่างนั้นเทวดาทั้งหลายไม่สามารถเพื่อจะเห็นพระอริยบุคคลผู้ปราศจากภัยมีความสุขไม่มีความโศกนนะอันพระอริยเหล่านั้นเนี่ยนะเป็นผู้ที่มีความสุขมากท่านเป็นผู้ที่ไม่มี ความโศกเลยะนะเนื้อหาค่อยๆ อ, อธิบายโดยลำดับว่าพระพัทิยะรูปนี้เนี่ยนะที่เป็นลูกของพระนางกาลิโคธาท่านก็เป็นผู้ที่เกิดในตระกูลสูงะนะท่านเป็นสกยาราชแม่ของพระกาลแม่ของพระพัทิยพระนางกาลิโคธานี้เป็นอริยะสาวิกา เป็นพระอริย์บรรลุอริยผลเข้าใจพระาศาสนาอย่างแจ่มแจ้งมีแม่เป็นพระโสดาบันเนาะน่าดีใจไม่ต้องไปห่วงสงเคราะห์แม่นะแม่บรรลุแล้วสบายแล้วถ้าแม่ยังไม่บรรลุที่นี้แม่ไม่บรรลุ ด, ด้วยไม่ว่าไม่มีศรัทธานี่สิแม่ลูกนี่ทําใจลําบากนะนะให้ฟังทำก่อใหม่เอาไอ้นี่ก็อใหม่เอาเนี่ยนะดูละครอย่างเดียวถ้าอย่างให้ลูกกับเศร้าขนาดไหน มาโอ้ยแม่เนี่ยนะมีความสุกชาตินี้ไม่กลัวร้องชาติหน้าแม่จะไปอยู่ที่ไหนนาะอย่างงี้ยนะนึกสงสารแม่อันไม่รู้จะคุยกันยังไง ร, รู้เรื่องไม่เอาอ่ะไม่ยอมทำมะทำโมไม่อ้าวเพอร์เจอได้ทั้งวันเนี่ยนะไม่เป็นไรก็น่าเป็นห่วงพระพระพระัทยานี้ท่านก็บวชพร้อมกับพระอนนท์บวชพร้อมพระอนนท์พระเทวทัตพระอุบาลีพระอนุรุทธะเป็นต้นเนี่ย ท่านบวชเข้ามาเนี่ยก็เจริญวิปั ส, สนาบวชไม่นานก็ได้อภิญยาหกพรษาเดียวนี่เป็นพระอรหันต์ละท่านสมาทานทุดงแม้ทั้ง13าอดีตเมื่อแสนกลับที่แล้วท่านปรารถนาตำแหน่งเอตทักคะว่าผู้ในทางผู้มีสกุลสูงพระองค์ก็เลยเ อ, อะไรนะให้ฐานันดรเนี่ยนะแต่งตั้งให้พระพัทยะเนี่ย เป็นสาวกของเราผู้มีสกุลสูงก็คือบุตรของพระนางกาลิโคธาชื่อว่าพัทยะเป็นผู้หนึ่งที่อยู่ในจำนวนอสีติมหาสาวกคือสาวกผู้ใหญ่8ปดสิบรูปพระพัทยะรูปนี้เนี่ยนะก่อนจะบวชเนี่ยท่านเป็นกษัตริย์ตอนนั้นท่านกำลังครองราชทีนี้พระอนุรุธทธาเนี่ยไปชวนบวชบวชเถอะเพื่อนโอ้ยบวชไม่ได้หรอกเป็นพระราชาบอกบวชเถอะ แล้เดี๋ยวรอหน่อยนะขอครองราชไปอีกสักพักก่อนนะก็ขอไปขอมาเนี่ยเจวันครองราชอีกหลังจากนั้นอีกเจวันก็ออกบวชพันท่านสละราชสมบัติออกมาบวชเนี่ยนะถึงที่ว่าออกมาจากตระกูลสูงมากเพราะตอนนั้นเนี่ยถือว่าคนที่ใหญ่ที่สุดในตอนนั้นอะ่ะคือพระพัทยารูปเนี่ยตอนนั้นนะขึ้นตำแหน่งสูงสุดเพราะว่าป ก, กนะปกครองเมืองกบิลพัฒน์อยู่เนี่ยนะปกครองเมืองกบิลพัฒน์แล้วก็ศักยะตระกูลเนี่ยนะ ทีนี้หลังจากที่ท่านบวชมาแล้วเนี่ยท่านไปอยู่ในศูนย์ยารคโตะศูนย์ยารคโตเนี่ยก็คือไปสู่เรือนว่างเรือนว่างแปลว่าไม่มีใครอยู่นะเป็นที่ที่เงียบๆนะเพราะว่าเป็นที่สงัดไม่มีเสียงที่เป็นข้าศึกต่อชานท่านพระพัทยะผู้มีอายุผู้มีอายุนั้นก็คือเป็นระดับพระอาจารย์ใหญ่สมัยนั้นนะนะแม้ท่านเวลาพักผ่อนกลางวันหรือว่าพักผ่อนกลางคืนโดยมาก ชีวิตของท่านนี่ให้ผ่านไปด้วยการเสวยวิมุตติสุขจากการเข้าพระสมาบัติะเข้าพระสมาบัติด้วยอรหัตผลมีนิพพานเป็นอารมณ์แล้วบางครั้งก็สลับจากเข้านิโรธสมาบัตินะเข้าพระสมาบัติเข้านิโรธสมาบัติถ้าสมัยนั้นเนี่ยสมัยพูทธการจริงๆเนี่ยไม่ห่วงภาระเรื่องสอนเรื่องบรรยายเรื่องเทศเรื่องแสดงธรรมเรื่องอะไรเนี่ยไม่มีไม่ไม่ใช่ปัญหาเลยเพราะว่าสมัยนั้นเนี่ยคนเก่งเยอะมากเนี่ยนะ ทุกคนอยากจะฟังไม่ค่อยอยากพูดแล้วก็ท่านจะอยู่ในที่เงียบเงียบปลีกเร้นแล้วที่สําคัญพระพุทธเจ้ามีพระชนอยู่ใครหน้าสงเคราะห์หน้าแสดงทำเวลาไหนพระพุทธเจ้าจากการเรียบร้อยหมดแล้ววันท่านเหล่านี้บรรลุเป็นผ้าอรหันสิ้นกิเลสวั น, ว, นวันหนึ่งโดยมากท่านจะหลีกที่เงีย บ, เ ง, ยบเงียบเข้าพระสมาบัติมีนิพพานเป็นอารมณ์สเสวอยวิมุตนะมติสุขไงนะสวยวิมุตติสุขเพราะท่านหมายถึงความสุขที่เกิดจากการบรรลุมรรคผล รังเกียจเกลียดถึงความสุขในราชสมบัติที่มีแต่ภัยระ ล, ลึกหวนถึงสมัยที่ตัวเองปกครองเนี่ยนะเป็นกษัตริย์อยู่นั้นเนี่ยมีแต่ภัยมีแต่ความเร่าร้อนที่เคยสเสวยที่ที่ได้รับในการก่อนท่านก็เปล่งถึงความสุขที่เกิดด้วยโสมนัสยานเนี่ยนะโสมนัสยานที่มีปัญญาเป็นสมุทฐานมีปีติเป็นสมุทฐานว่าสุขจริงสุขจริง สุขตัวนี้เนี่ยการเปล่งพูดแบบนี้เนี่ยเพราะท่านมีปัญญาเนี่ยนะ ม, มีปัญญาเป็นเหตุใกล้มีปีติเป็นเหตุใกล้ทำให้เปล่งอุวาจาออกมาว่ามีความสุขมีความสุขภิกษุเป็นอันมากเข้าใจผิดเลยใช่ไหมเพราะพิสูจน์เหล่านั้นเข้าใจว่ า, าพิสูุน ท, ที่นันนะ่เป็นปุตุชนไม่รู้ว่าอุทานเนี่ยหมายถึงพระพัทธิยะนั้นนะสุขที่เกิดจากวิเวก คือสุขที่เกิดจากวิเวกจากสังขารทุกชนิดมีนิพพานเป็นอารมณ์เนี่ยนะเรียกว่าอุปทิวิเวกท่านเหล่านั้นไม่เข้าใจไม่เข้าใจว่าพระพัทิยะเข้าพระสมมาบัติสุขที่เกิดจากมรรคผลนิพพานก็เลยดูถูก น, นะดูถูกแปล ว, ว่าดูหมินนะแปลว่าเหยียดหยามมาเองใส่ทึกนึกถึงความสุขสมัยที่บริโภคกามมาั่ง <c oughs> ก็เลยไปกราบทูลเรื่องนั้นให้พระพุทธเจ้าทราบ การกราบทูลไม่ประสงค์จะหาเรื่องยกโทษอะไรหรอกแต่จะได้สงเคราะห์นะจะได้ช่วยชการสงเคราะห์พระพุทธเจ้าจะแสดงธรรมให้ท่านเผื่อท่านอยากศึกะนะแลวก็พระพุทธเจ้าจะได้แสดงธรรมจะได้เลิ ก, เ ล, กเลิกห่วงใยเรื่องจะศึกสักทีหนึ่งทีนี้พระพุทธเจ้าก็ตรัสเรียกให้พระพัทถยะเข้าเฝ้าเมื่อพระพัทถยะเข้าเฝ้าก็เล่าเรื่องให้ฟังว่าข้าพระองค์นั้นนะเมื่อก่อน อันราชบรุษหลายร้อยรักษาคุ้มครองเพื่อความปลอดภัยเพื่อความอยู่สําราญของข้าพระองค์ด้วยการจัดแจงป้องกัน ร, รักษาคุ้มครองอย่างดีมากมายทั้งภายในทั้งภายนอกพระตําหนักราชธานีราชาอาณาเขตด้วยประการศชนี้เขาดูแลอย่างดีเยี่ยมเลยนะนั้นกษัตริย์ไปที่ไหนเนี่ยสังเกตดูนะพระราชาพระราชินีเป็นต้นเนี่ยไปที่ไหนเนี่ยทหารเนี่ยวางเป็นจุดจุดกองกาลังรักษาตั้งด่านทั่วไปหมดเยอะแยะไปหมดเพื่อที่จะ ปกป้องคุ้มครองนะถึงขนาดนั้นก็ยังเกรงกลัวนะกลัวมากเลยนะถึงอย่างนั้นก็ยังหวาดเสียวเกิดความหวาดภัยอันเกิดจากความกำเริบตามปกติแม้ในราชสีมาอาณาจักรหวาดระแวงเบื้องหน้าไม่ไว้หวาดระแวงอยู่เป็นเบื้องหน้าด้วยการไม่วางใจในที่ทุกแห่งด้วยการหวาดระแวงถึงกิจและกรณียกิจด้วยคําพูดว่า พระราชาเนี่ยไม่ควรไว้ใจเนี่ยไม่ควรวางใจตลอดเวลาหวาดระแวงเรื่องทรัพย์สินหวาดระแวงเรื่องชีวิตหวาดระแวงเรื่องการดูแลการปกครองเนี่ยนะห่วงใยกังวลแม้แต่จะนอนนี่ก็หวาดระแวงนะมีใครมาคอยดูแลปกปักรักษาดีไมอะไรไหมเขาจะเพราะว่าบางทีหลับสนิทอยู่บางทีคนใกล้เนี่ยมาข่า แม้กระทั่งพระราชาเนี่ยเวลาตัดผมเนี่ยะจะต้องหวาดระแวงอยู่ตลอดเวลานะเพราะว่ามันมีดโกนเดี๋ยวเขาก็เอาพวกนั้นอ่ะช่างกลาบบกประจําตัวนี่แหละจะเชือดครองใช่ใครที่ไหนหรอกอย่างมีพระราชาบางองค์เนี่ยเวลาช่างกลบบกเนี่ยนะช่างตัดผมมาตัดตัดตัให้ก็สะบัดมีดโกนเนี่ยไอความที่มายากษัตริย์บอกข้ารู้แล้วเนี่ยนะวะช่างตัดผมในตัวสั่นเลยนะเขบอกไอแกนี่ปรงพระชนใช่ไหมเขาบอกใช่ถูกจ้างมาเนี่ยนะ มันแม้กระทั่งจะตัดผมเนี่ยแม้กระทั่งจะสเสวยพระกายอาหารเนี่ยจะต้องมีคนมีคนคอยชิมดูก่อนว่ามียาพิษหรือเปล่าเนี่ยนะจะต้องมีเครียกว่าผ่านอะไรมันระแวงทุกเรื่องแม้กระทั่งอาหารการบริโภคที่อยู่ที่หลับที่นอนไปที่ไหนเนี่ยศัตรูเยอะเนี่ยนะครัศัตรูเยอะโด ย, ยโดยเฉพาะพระราชาบางยกบางสมัยเนี่ยที่เป็นใหญ่ได้มาเขาก็ปล้นเอาเมืองเข้ามานะไปตีชิงเอาบ้านเอาเมืองเข้ามาตีชิงบ้านเมืองใครใครก็โกรธเอาใช่ไหม มันก็ศัตรูเยอะเนี่ยบางทีไปสังส่งสั่งค่าพ่อสั่งค่าแม่สั่งค่าญาติคนอื่นเขาไว้เนี่ยเขาก็ผูกเวรผูกพยาบาทตัวเองก็เต็มไปด้วยความหวาดระแวงเต็มไปด้วยความหวาดความกลัวมันก็เลยระแวงมากานะมีแต่ความทุกข์นะกว่าจะรู้ว่าการครองราชกาเรเสวยราชแบบนั้นเป็นทุกข์เนี่ยเมื่อบรรลุมรคผลที่เป็นความสุขแล้วนะจริงเอามาเปรียบกันวให้นั่นทุกข์จริงๆนะ ว่าการเสวยการครองราชเนี่ยเป็นความทุกข์ต่อเมื่อได้ความสุขที่ที่ไม่ลําบากเป็นความสุขที่เป็นความสบายจริจงๆเพันธ์ท่า น, นจึงบอกว่าตอนนี้เนี่ยท่านไม่กลัวแล้วเนี่ยนะท่านไม่กลัวท่านไม่หวาดเสียวท่านไม่หวาดระแวงเพราะอะไรเพราะจิตของท่านถึงวิเวกเนี่ยนะจิตของท่านถึงวิเวกคืออุปธิวิเวกจากนิวรณ์สงข์จากนิวรณ์สงั์จากอกุศลธรรมสงัดจากบาปสงั์จาก อกุศลจนสามารถบรรลุมรรคผลได้เพราะฉะนั้นท่านจึงบอกว่าท่านบัดนี้ท่านไม่มีความกลัวเป็นต้นเพราะไม่มีความตําหนดจับนิมิตมีภัยเป็นต้นไม่มีอะไรที่เป็นเหตุให้ท่านจะกลัวตายไม่มีอีกแล้วขณะเดียวกันเนี่ยกิเลสภายในใจของท่านก็ไม่มี ศัตรูภายนอกท่านก็ไม่มีศัตรูภายในที่เกิดจากบาปอากุศลก็ไม่มีชีวิตของท่านจึงอยู่ด้วยความสุขท่านจึงบอกว่าท่านเนี่ยไม่มีขนชูชันเพราะไม่มีความหวาดเสียวที่ทำให้เกิดขนลุกเนี่ยนะขนลุกชูชันที่เรียกว่ากลัวตายเนี่ยนะบัดนี้ใจของท่านก็เหมือนกับมรึกมรึกที่อยู่อย่างโล่โลงใจเนี่ยหมายว่าเนื้อในป่าที่ไม่มีใครไปเบียดเบียนที่แท้จริงเนี่ย เป็นป่าที่เปลี่ยวที่ไม่มีใครเข้าไปถึงเนี่ยนะเดินก็สบายใจยืนก็สบายใจนั่งก็สบายใจฉันใดพระอรหันต์ทั้งหลายก็ฉันนั้นใจของท่านเป็นคล้ายแบบนั้นนะนะไม่มีความหวาดระแวงมีแต่ความสบายใจเหมือนที่พระประเจกพกระพุทธเจ้าท่านแสดงไว้ว่าวินยูชนมุ่งถึงเสรีภาพเสรีภาพอิสระภาพนี่เหมือนกัน ผู้มุ่งวินยูชนเนี่ยคืออุคติตันญูเป็นต้นที่มุ่งอิสรภาพคื อ, อ, รอมรรคผลนิพพานเนี่ยนะเป็นผู้เที่ยวไปแต่เพียงผู้เดียวเหมือนนอเรตเปรียบเหมือนมรึกในป่าไม่ถูกมัดไว้เที่ยวหากินไปตามความปรารถนาผู้ที่ไม่มีความอะไรจิตใจเนี่ยนะมุ่งมรรคผลนิพพานเที่ยวไปก็มีความสุขฉันนั้นไม่หวาดไม่ระแวงนี่แต่ มีแต่ความสงบมีแต่ความสุขนะไม่ต้องหวาดเสียวไม่ต้องหวาดสะดุง้งไม่ค่อยไม่ต้องคอยห่วงคอยกังวลว่าเออเนี่มันเนี่ยรายได้เราลดลงรายจ่ายเราเพิ่มอะไรเป็นต้นเนี่ยไม่มีความวิตกกังวลไม่มีความหวาดระแวงไม่มีได้มีเสียไม่มีอะไรสักอย่างเลยนะอาหารก็เพียงแค่ว่าอ่าเนี่ยอิ่มท้องไปวั น, ว, นวันหนึ่งผ้าก็เพียงเพื่อ น, นุ่งห่มปกปิดไปวั น, ว, นวันหนึ่งแต่ว่าเอ้มันน่าจะสบายนะแต่คนมีกิเลสเชื่อไหมยิ่งทําอย่างนั้นยิ่งเดือดร้อนมาก ถ้า ก, กิเลสก็มีตามเดิมแล้วจนที่สุดนะทุกที่สุดแต่ถ้าหมดกิเลสแล้วเนี่ยนะไม่มีอะไรนี่มีความสุขที่สุดเนี่ยนะพันแสดงว่าเหตุแห่งทุกข์เหตุแห่งสุขจริงๆอยู่ที่กิเลสที่อยู่ในภายในนะก็เหมือนว่าคนป่วยนะถึงนอนอยู่ในห้องแอร์มันก็คือคนป่วยมันก็ไม่ได้มีความสุขอะไรเพราะก็คือป่วยเป็นปกติอย่างนีนใช่ไหแต่พระ พัทยาเนี่ยไม่ได้เป็นอย่างนั้นใช่ท่านปลอดจากภัยจากกิเลสทั้งหมดเนี่ยท่านก็เลยอุทานเห็นประโยชน์เห็นประโยชน์ที่ที่เป็นความสุขที่เกิดจากการบรรลุมรรคผลนิพพานสุขที่เกิดจากการเข้าพระสมาบัติอันยอดเยี่ยมก็เลยเป่งแต่วาจาว่าสุขเนาะสุขเนาะสุขที่เกิดจากการเข้าพระสมาบัติเมื่อใดเนาะเราจะประสบความสุขเหล่านั้นบ้างจะได้บั็นสุขจริงๆสบายใจจริงๆริงอะไร สุขที่เกิดจากการไม่มีโทษสุขที่เกิดจากวิเวกสุขที่เกิดจากปาสจากกิเลสเป็นสุขที่ไม่อิงอามิตเป็นสุขที่ไม่ต้องอาศัยเหยื่อเป็นความสุขที่ไม่ต้องมีเหยื่อเนี่ยนะเป็นความสุขที่ไม่ต้องกินเบ็ดเนี่ยนะเป็นความสุขที่อิ่มในภายในจะสบายขนาดไหน <c oughs> พระพุทธเจ้าก็รู้เนื้อเข้าใจนะที่พระพัตติยะพูดเนี่ยก็เข้าใจทั้งหมดแต่เพื่อจะให้พระพัตติยะนี่แสดงกาลังของพระอรหันต์ให้พระพิสุ์ทั้งหลายทราบ พระองค์ก็รู้เนื้อความว่าพระพัทิยะที่พูดตัวความสุขนั้ น, นหมายถึงความสุขที่เกิดจากการเข้าพระสมาบัติมีนิพพานเป็นอารมณ์ล่วงพ้นวิสัยของปุถุชนทั้งหลายปุถุชนไม่เข้าใจรอ้องว่าความสุขแบบนั้นเป็นอย่างไรนึกไม่ออกนะเหมือนคนเกิดมาป่วยมาตลอดไขกระสะกระเสระมมาตลอดนึกไม่ออกว่าหายป่วยมันเป็นยังไงพระองค์ก็อธิบายในคาถาที่บอกว่าความกำเริบย่อมมีจากจิต ขอไความกำเริบเนี่ยนะไม่มีจากจิตของพระอริยบุคคลผู้ก้าวล่วงความเจริญและความเสื่อมมีประการอย่างนั้นนั้นคนที่ละความเสื่อมละความเจริญได้แล้วเนี่ยนะจิตใจก็ไม่กำเริบไม่กำเริบเพราะราคะราคะทาให้กำเริบโทสะก็ทําให้กำเริบโมหะก็ทําให้กำเริบทีนี้ไอ้ความกำเริบที่เกิดจากความโลภความกโกรธความหลง เป็นต้นเนี่ยไม่มีในพระอริยะบุคคลเพราะอริยมรรคของท่านกําจัดความกําเริบที่เกิดจากราคะความกําเริบที่เกิดจากโทสะได้หมดแล้วเนี่ยนะท่านละความเจริญละความเสื่อมได้หมดแล้วเนี่ยจึงเป็นผู้ที่มีความสุขเป็นผู้ที่ไม่มีความโศกที่สําคัญในหน้า275ที่บอกว่าอิติภาะวาะภาะวาะภาวะภาวะตังจะ ว, วิติวัตโตที่บอกว่าก้าล่วงภาวาภาวะเนี่ยหมายเขาว่าความเจริญและความเสื่อมเป็นต้นาาเนี่ยนะภาวะภาวะตัญจะเนี่ยมาจากภาวะบวกอภาวะเนี่ยนะภาวะนี่หมายถึงพบหมายถึงเหตุที่เป็นสมบัตินะนะชื่อว่าพบวิบัติชื่อว่าอะภพอภวะเนี่ยอภพเนี่ยนะความเจริญชื่อว่าพบความเสื่อมชื่อว่าอะภพสัตตทิฏฐิชื่อว่าพบ อุเฉททิฏฐิชื่อว่าอาภพบุญชื่อว่าพบบาปชื่อว่าอาภพบสุขติชื่อว่าพบทุคติชื่อว่าอาภพบปริตากามภูมิชื่อว่าพบรูปรูปประภูมิรูปประภูมิชื่อว่าอภพบสรุปว่าภาวะภาวะคือพอบอภพบจำแนกลายไงยะด้วยกันคือสมบัติวิบัติความเจริญความเสื่อมสัจจะทิฏฐิอุเฉททิฏฐิบุญบาปสุขติทุคติ ความอุบัติเกิดขึ้นในภพน้อยภพใหญ่พระอริยะบุคคลผ่านก้าวล่วงพ้นจากความโกรธพ้นจากภพอภพอ น, นะด้วยอริยมรรคทั้งสอนุภาพของโสดาปติมัติเป็นต้นกำจัดราคะโทสะโมหะกำจัดความเจริญความเสื่อมกำจัดสิ่งเหล่านี้ได้หมดด้วยอริยมรรคเหล่านี้แล้วพระคีนาศผู้เห็นปานนั้นชื่อว่าปราศจากภัย เพราะปราศจากเหตุแห่งภัยโดยไม่มีความกรงเริบภัยในใจก้าวล่วงภาวะที่เรียกว่าภายัยไม่มีความกลัวเลยนะชีวิตของผู้ที่ไม่มีความกลัวโดยประการทั้งปวงแล้วเป็นชีวิตที่เข้าถึงความสุขเนี่ยนะเป็นสุขโดยเฉพาะสุขที่เกิดจากการบรรลุมรรคผลนิพพานสุขที่เกิดจากวิเวกสุขที่เกิดจากมรรคจิตผลจิตมีนิพพานเป็นอารมณ์เนี่ยชื่อว่าเป็นความสุขที่ไม่มี ความโศกเพราะไม่มีภยัยไม่มีความน่ากลัวความน่ากลัวที่เกิดจากราชภายัยโจรภัยเป็นต้นภัยที่มีชาติชารามรณะเป็นต้นก็ไม่ ม, ไมีมีแต่ความสุขเทวดาทั้งหมดเนี่ยนะเวน้นเว้นผู้บรรลุอริยมรรคก็ไม่อาจที่จะเห็นการเที่ยวไปของจิตของท่านเหล่านั้นสำหรับปุถุชนเนี่ยนะไม่รู้หรอกว่าพระโสดาบันเนี่ย จิตของพระโสดาบันที่มีนิพพานเป็นอารมณ์นี่เป็นยังไงปุถุชนไม่เข้าใจพระโสดาบันไม่เข้าใจหรอกว่าจิตของพระสกะทาคามีที่เข้าพระสมาบัตินี่เป็นอย่างไรพระสกะทาคามีก็ไม่เข้าใจหรอกพระนาคามีเข้าพระสมาบัติเป็นอย่างไรพระนาคามีก็ไม่เข้าใจอรหั ต, ตผลสมาบัติของพระอรหันต์เพราะฉะนั้นระดับล่างจะไม่เข้าใจความคิดของร ะ, marine, ระดับสูงฉันใดเทวดาที่เป็นปุถุชนทั้งหลาย ไม่เข้าใจแม้กระทั่งจิตของพระอริยะบุคคลที่เข้าพระสมาบัติฉะนั้นเนี่ยนะเพราะว่าเกินวิสัยของปุตชนเกินวิสัยของพระอริยะท่านพระอรหันต์ทั้งหลายเนี่ยจึงเป็นผู้ทีเ่เทวดาไม่สามารถจะเห็นสภาพจิตของท่านได้เลยว่าจิตของท่านเนี่ยเป็นอย่างไรจิตของท่านที่ปราศจากภายัยปลอดภัยเป็นจิตที่เป็นความสุขเป็นจิตที่ไม่มีโศกเนี่ยเป็นอย่างไรเนี่ยนะ ไม่ไม่เข้าใจบางกันท้ก็เพราะอะไรเพราะไม่ใช่วิสัยเนี่ยนะไม่ใช่วิสัยเหมือนอย่างว่านกกระจาบนกกระจิ บ, น ก, กจบนกตัวเล็กๆที่มันบินอยู่ตามดินตามอะไรก้อนน้อยๆมันไม่เข้าใจหรอว่าอินทรีย์เนี่ยบินอย่างไรเนี่ยนะบินถลาลมไปไกลๆเป็นอย่างไรเป็นต้นไม่เข้าใจนะเพราะไม่อยู่ในวิสัยเนี่ยนะ